เง่านหนังสือชีวประวัติสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีจากบันทึกของมหาอมาตรีพระญาติภโกษาสอนโลหนันสำหรับประวัติของสมเด็จโตมีหลายฉบับและมีเนื้อหาปลีกย่อยแตกต่างกันไปแม้แต่ฉบับที่บันทึกโดยพระญาติภโกษาก็ยังมีหลายฉบับที่จัดพิมพ์ต่างวาระ ก, กันและมีเนื้อหาบางส่วนแตกต่างกัน ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าหลายฉบับนั้นอาจมีการเติมแต่งหรือที่เรียกว่ากลอนพาไปคล้ายเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาก็อาจผิดเพี้ยนไปบ้างหรือเรียบเรียงให้คนอ่านน่าติดตามคล้ายกันนําประวัติบุคคลสําคัญไปทําละครก็อาจมีการเติมแต่งให้ดูไม่เชชื่อดดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านฟังแล้วอย่าเพิ่งด่วนเชื่อหรือด่วนปฏิเสธแต่ให้ฟังแล้วจับใจความที่สําคัญ จับแกนหลักของเรื่องแล้วคัดกรองเอาข้อคิดที่เป็นประโยชน์อะไรที่เชื่อแล้วไม่ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณธรรมในจิตใจก็ปล่อยวางและปล่อยผ่านไปก่อนโดยเฉพาะในประเด็นปลีกย่อยที่ไม่ใช่หัวใจหลักของเรื่องในที่นี้ขอยกตัวอย่างบางเรื่องที่ปรากฏเป็นเนื้อความในบางฉบับนั้นเช่นเรื่องการนามวลสารมาสร้างพระพิมพ์ซึ่งล้วนกล่าวแต่ของดีหลายอย่างแต่มาปิดท้ายด้วยการใส่เสเลดน้าลายลงไป ซึ่งเห็นได้ชัดนะครับว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะท่านเป็นพระปฏิบัติที่ย่อมเคารพพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งจะมาสร้างรูปเหมือนพระาศาสดาด้วยการใส่น้ำลายและของเสียจากร่างกายไปด้วยนั้นเข้าใจว่านันน่าจะเป็นวิธีของพวกเล่นคุณใสยมนดาเท่านั้นในที่นี้เป็นไปได้ว่าอาจเป็นเรื่องของกรอนพาไปคือคนสมัยโบราณ น, นั้นเจ้าสมบัติสำนวน เวลาพูดอะไรก็ามักจะมีส้อยให้คล้องจองหรือเติมคำที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปที่ไม่ใช่สาระของเรื่องแต่ใส่เข้าไปให้แลดูพิเศษกว่าปกติเท่านั้นอย่างสมมติปัจจุบันที่ยังใช้กันอยู่ตัวอย่างเช่นสิงสาราสัตว์ที่รวมความแล้วหมายถึงสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าแยกเป็นพยางค์จะเห็นว่าคำว่าสารและรานั้นเป็นคาที่ไม่มีความหมายเพียงแต่เติมเข้าไปให้คาดูโดดเด่นขึ้น เป็นคำสซ้อยคำเสริมเข้าไปเท่านั้นจึงต้องย้ำว่าหากอ่านหรือฟังประวัติไม่ว่าฉบับใดและเจอบางเรื่องที่ลดูแปลกๆน่าสงสัยโดยเฉพาะที่ขัดกับคุณธรรมพื้นฐานก็ต้องเอดใจไว้บ้างทั้งนี้ก็ต้องยกเว้นบางครั้งที่อาจมีข้อยกเว้นบ้างที่หากไม่ศึกษาทำใหถึงจุดจริงจะไม่มีทางเข้าใจดังนั้นสิ่งสาคัญในการศึกษาอะไรก็ตาม ก็ต้องอยู่ในหลักอย่าพึ่งปลงใจเชื่อตามหลักจากกาลามาสูตรจะ ด, ดีที่สุดนะครับสำหรับประวัติของสมเด็จโตนั้นหลังจากจัดทําเรื่องนี้จบแล้วจึงได้มีโอกาสมาอ่านฉบับของพระครูกาลยานานุกูลซึ่งมีความละเอียดกว่านี้หลายเท่าและมีสาระสำคัญเกี่ยวกับคำสอนและเรื่องน่าสนใจอีกมากมีความยาวกว่าสี่ร้อยหน้า แต่กลับไม่แพร่หลายเท่าฉบับของพระยาทิพโกสาทั้งนี้ทางชมรมผลดีหากมีโอกาสก็ตั้งใจว่าจะจัดทาต่อไปในอนาคตนะครับในท้ายที่สุดนี้ขอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านที่สนใจหนังสือธรรมะทั้งเพื่อการอ่านเองหรือสั่งพิมพ์แจกในนามของท่านแนะนำให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาธรรมสภา และสถาบันบรรลือธรรมซึ่งมีสาขาอยู่หลายแห่งโดยท่านผู้ก่อตั้งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าและจะัดทาหนังสือดีๆไว้มากมายอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้จารึกพระธรรมคำสอนพร้อมกับหนังสือธรรมะหายากที่เป็นหลักธรรมแท้ควรแกการศึกษาไว้มากที่สุดในประเทศไทยใจคําค้นหาว่าธรรมสภาได้เลยนะครับ ถือเป็นหน่วยงานเอกชนที่มีกุญูปาการต่อประเทศชาติและพระาศาสนาอย่างยิ่งซึ่งตัวผมเองตั้งแต่เด็กก็ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสื่อธรรมของธรรมสภาอย่างมากมายเช่นกันนะครับทั้งนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นกับสถาบันของท่านเป็นเพียงผู้ไี้รับประโยชน์และอยากแนะนาให้ทุกท่านได้รู้จักเท่านั้นนะครับ ขออนุโมทนาเจ้าภาพผู้ร่วมจัดทาเสียงานชุดนี้เพิ่มเติมอีกดังนี้ครอบครัวดีโลกภัสกุลครอบครัวอุตราสริติกุลครอบครัวสินสมบัติพันทิปสันติภากรสุชาดาพาชื่นใจนิจชามาสโสภาวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตครอบครัวรักไพรสุเทพสิริสุภเดชอิมม า, มานอารีประวัวณิชพงศ์หน้าที่ดารินปุณพรวรานนท์ ประพาพันไตรรัตวรวุฒิชุติเดช ส, สุภกิจศิลกัญญนัททองบุญกันนิยาบุญธกาโนนหรือไตรรัตทิพเนตหรือพักมิ่งคณิตกุลร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง